อาจารย์คนหนึ่งเล่าว่าช่วงนี้ได้เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกหลายสถาบันก็คือหลายหมายยหาวิทยาลัยคือเวลานักศึกษาเนี่ยจะทําวิทยานิพนธ์เนี่ยก็จะต้องเสนอเขาโครงก่อนเพื่อให้อาจารย์เห็นชอบอาจารย์ที่ว่านี่ก็คือกรรมการที่สอบเขาโครงหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่านที่เล่าว่าเนี่ยได้ดูได้อ่านได้ดูโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาเสนอมาหลายชิ้นก็สังเกตว่าหลายตอนเลยนะในโครงร่างเนี่ยภาษาข้อความเนี่ยแกคุ้นมากเลยก็เลยกลับไปอ่านไปคนน้นหนังสือของตัวที่เขียนแล้วก็เพราบว่า ข้อความในเขาคงหรือขอ ง, างราววิทยานิพนธ์ที่นัก ศ, าศาึกษาเสนอมาเนี่ยมันตรงกับหนังสือนะที่อาจารย์คนนี้เขียนเลยตรงกันแบบทุกตัวอักษรเลยก็แปลว่าอะไรแปลว่านักศึกษาเนี่ยคัดลอกนะหรือยกเอาข้อความในหนังสือของอาจารย์เนนี้เอามาแปะนะ เป็นนนหน้าเลยนะเป็นนนหน้าไม่ใช่แค่ย่อนหน้านะหรือแค่ไม่กี่ประโยชนะ์ะแต่ว่าเป็นนานหน้าเลยแถมไม่อ้างอองด้วยนอกเกิดไอ้ใจขึ้นมานะก็ลองเอาข้อความนะจากหนังสือของตัวเองที่ถูกนักศึกษาคัดลอกเนี่ยเอาไปค้นดูในอิเนเทอร์เน็ตนะพวกเราคงจะรู้นะมันทำได้นะ ทิ้งข้อความลงไปแล้วก็าทาง Google ก, กูเกิลอ่รากฏว่ า, ามีวารสารวิชาการหลายแห่งเลยนะหลายฉบับนะที่คนเขียนเนี่ยคัดลอกหรือถ้าผู้ภาษาประชาวบา้านขโมยนะข้อความจากหนังสือของแกนเนี่ยมาไปลงในบทความทางวิชาการ แล้วก็ไม่ใช่แค่บทความเดียวนะหรือว่าวรารสารฉบับเดียวนะหลายวรารสารเลยหลายบทความเลยที่ทาําไนคือไม่มีการอ้างองิงแล้วก็การคัดลอกเนี่ยคัดลอกกันเป็นหน้าหน้าเหมือนกันนะไม่มีการอ้า ง, อ, งอิงอาเป็นเพราะว่าคัดลอกกันมาต่อต่อกันมาจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันมีที่มาจากไหนนะ อันนี้มันแสดงว่าอะไรนะมันแสดงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการขโมยผลงานนะทางวิชาการเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากการว่าคัดลอกผลงานนี่มันก็เป็นคำที่ดูสุภาพหน่อยนะแต่ความหมายจริงก็คือว่าขโมยเพราะว่าไม่มีการอ้างอิงเอาผลงานของคนอื่นมา มามาอ้างว่าเป็นผลงานตัวเองเนี่ยถ้าอ้างอิงก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าไม่อ้างอิงก็เหมือนกับว่าทําให้คนเข้าใจว่านี่เป็นผลงานหรือเป็นงานเขียนของตัวเองแม้จะไม่ถึงกับเป็นเล่มนะแต่ว่าในการคัดเอามาเป็นย่อ น, น้าหรือแม้แต่ประโยชนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคั ญ, คญนี้เขาจะต้องอ้างอิงเพื่อให้เกียรตินะเจ้าของผลงานหรือแหล่งที่มา ซึ่งในทางวิชาการก็ถือว่านี่เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งนะที่เชื่อเห็นความซื่อสัตย์สุจริตนะการขโมยผลงานเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่มันเกิดขึ้นแพร่หลายนะในวงวิชาการของไทยเกิดขึ้นกับนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโท แถมลามไปถึงอาจารย์ซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองาศาสตราจารย์หรือเป็นศาสตราจารย์ไปแล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าไปนวิตกะนะเพราะว่าคนระดับนี้เนี่ยนะก็ควรจะมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูงกว่าคนทั่วไปนะสูงกว่านักเรียนสูงกว่านักเรียนมัธยมเพราะว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และความซื่อสัตย์สุดจริตนี่ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญในวงวิชาการนะไม่ใช่แค่ในวงการอื่นเช่นวงการศาสนาหรือว่าวงการราชการเท่านั้นนะและอันนี้ก็มันน่าคิดนะเพราะว่านี่เฉพาะคัดลอกผลงานของเจ้าตัวนะจึงรู้เนี่ยไอ้คัดลอกผลงานของคนอื่นแล้วอาจารย์ไม่รู้นี่คง ม, มีเยอะ นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคัดลอกกันง่ายเพราะาบทความต่างๆมันก็ขึ้นอินเทอร์เน็ตนะดิจิตัลกันหมดหรือแม้กระทั่งไปคัดเอามาจากวิกิพีเดียก็ทำได้ง่ายแล้วขนาดในระดับมาวิทยาลายยังเป็นอย่างนี้นะยังไม่ต้องพูดถึงนักเรียนโรงเรียนนะซึ่งก็คงจะมีการทุจริตกันมากมายอย่างที่เรารู้กัน นักเรียนเดี๋ยวนี้ทำรายงานก็ไม่ต้องคิดเองแล้วไปตัดแปะนะตัดจากที่นั่นที่นี่มาแปะอาจารย์ก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะหาที่มานี้ยากถ้าไม่ได้เป็นผลงานที่ตัวเองเขียนเอาไว้หรือถ้าไม่เคยอ่านผ่านตา ม, มาก่อนไม่รู้เลยผู้งานโอกาสนี่มันทำให้ทำให้การทุจริตแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่าย นะสมัยก่อนที่มันยากกว่าเจ็ดทีนี้ง่ายนะเพราะมันมีเทคโนโลยีช่วยงัต่อไปก็มี AI อีกต่างหากนะอันนี้มันสะท้อนอะไรนะมันสะท้อนในถึงค่านิยมหรือทัศนคติของคนในปัจจุบันนะเป็นค่านิยมที่เรียกว่านิยมทางรักนะที่จริงมันเป็นทัศนคติที่กว้างอันนั้นนะ ผอนิยมทางรั้นเนี่ยมันก็หวังลาบลอยคอยโชคนะหรือแม้ก็ทุจริตนักศึกษาหรือนักวิชาการอยากจะเรียนจบไวๆโดยที่ไม่ต้องขยันไม่ต้องทํางานก็ไปลอกผลงานเข้ามาหรือไปซื้อผลงานเข้ามาหรือไปจ้างนะคนมาทําวิชานิพน์ให้นะเดีย๋ยนี้มีการประกาศขายนะเวียนิพนธ์ปัญญาเอก ราคาเจ็ดหมื่หรือว่าหนึ่งแสนปริญญาโทก็ราคาต่ำกันหน่อยอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดจากค่านิยมเรียกว่านิยมทางรักแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อยากจะเรียดจบได้ปริญญาแต่อยากได้เงินแล้วทำไงถึงจะได้เงินทำไมถึงจะรวยเร็วนะก็ใช้หวังลาบลอยเนี่ยเล่นการพ น, นันเล่นหวย ที่การพนัน ม, มันแพร่ระบาดหวยแพร่ระบาดนี่เพราะว่าคนนิยมทางรัดอยากจะรวยทางรัดและพอเล่นหวยเล่นการพนันแล้วมันยังไม่รวยสักทีก็คอร์รัปชันทุจริตซะเลยที่ทุจริตแพร่ระบาดก็เพราะาคนอยากจะรวยทางรัดอยากจะรวยโดยไม่ต้องขยันไอ้ความอยากรวยนี่มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งแล้วนะ แต่ว่าถ้าอยากรวยแล้วเนี่ยพึ่งความเพียรตัวเองเนี่ยก็ยังดีนะอย่างฝรั่งหรือญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้นะสมัยก่อนเนี่ยอยากรวยก็จริงนะแต่ว่าเขาจะทําความเพียรนะพึ่งความเพียรตัวเองนะใช้นําพังน้ําแลรงของตัวแม้แต่เด็กเนี่ยอยากจะมีเงินเนี่ยไม่ได้ขอพ่อขอแม่ต้องไปทํางานเองรับจ้างเองนะ นี่เรียกว่าอยากรวยแต่ว่ายังดีที่ยังพึ่งความเพียรของตัวแต่เดี๋ยวนี้นี่อยากรวยก็ก็ตามอยากเรียนจบก็ตามอยากได้เกรดก็ตามอยากได้ปริญญาเอกก็ตามไม่ได้พึ่งความเพียรงตัวแล้วนะเพราะว่าสนใจทางลัมากกว่าคือถ้าไมคัดลองผลงาน หรือสุจลิตก็ไปจ้างคนมาทําหรือบางทีก็ไปซื้อมาเลยนะซื้องานวิจัยและใส่ชื่อตัวเองเพื่อได้ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในจะได้ไปขอตําแหน่งศาสตราจารย์ตําแหน่งรองศาสตราจารย์อันนี้ก็เป็นท่านนิยมที่น่าเป็นห่วงมากนะคือหวังราบลอยคอยโชคและนิยมทางล้ํ อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เราตัณหาเป็นแรงจูงใจตัณหาไม่ใช่แค่อยากได้อยากมีเงินอยากรวยอยากได้ตำแหน่งแต่รวมถึงว่ามันไม่อยากลงมือทำด้วยตัวเองคือเกียรครัน้นวันนั้นถ้ามีทางรัดทางใดก็จะทำอันนี้คือค่านิยมซึ่งมัน เป็นตัวบันทอนชีวิตการทำงานของผู้คแล้วก็บันทอนส่วนรวมมากแต่ถ้าเรามีแรงจูงใจอย่างอื่นที่ดีกว่านะคือตันคือฉันทะฉันทะนี่ก็เป็นความหยามกันนะแต่เป็นการอยากทำตัณหานี่อยากได้อยากได้โดยที่ไม่อยากทำก็เลยต้องพึ่งทางลัดเช่นทุจริตคัดหลอกผลงานคดโกงเล่นหวย เร่งการพนันแต่ว่าถ้ามีฉันท่านี่มันอยากทํานะเรียนหนังสือนี่ก็มีถ้ามีฉันท่ามันก็อยากจะเรียนอยากจะรู้ไม่ใช่อยากได้คะแนนทํางานก็มีฉันท่าในงานอยากทําส่วนเงินเดือนผลตอบแทนเป็นเรื่องรองบางทีไม่สนใจเลยนะสําหรับคนที่มีฉันท่ามากๆเนี่ยทำงานหนักกว่าคนอนื่นก็ไม่ได้บน่นถึงแม้ว่าจะ ได้เงินเดือนน้อยหรือได้เงินเดือนเท่าคนอื่นในนี้เราต้องสร้างนะสร้างคันโยงนี้แหละสร้างฉันทะนะซึ่งมันก็จะส่งเสริมการพึ่งความเพียรของตัวเองหรือถึงแม้มีฉันทะน้อยมีตันหามากแต่ว่าถ้ายังหวังพึ่งความเพียรตัวเองเนี่ยก็ยังมีทางเจริญนะแต่ถ้ามีฉันทะมีตันหาแล้วอยากได้อยากเสพแต่อย่างนิยมทางรัดนี่อันนี้ก่ออันตรายแล้ว สอนลูกสอนลานี่้องสอนให้มีฉันทะอยากทำไม่ใช่อยากได้นะอยากเรียนไม่ใช่อยากเอาคะแนนทำงานแล้วมีความสุขไม่ใช่เพราะว่ามันมีเงินเดือนถ้าทำเงี้ยนะความสุขมันก็จะมาได้ง่ายสุขจากการทำไม่สุขจากการเสพซึ่งเสี่ยงนะต่อการทำผิดนะทุจริตอย่างที่เห็นกันทั่วๆไปในเวลานี้